งั้นเราฝึกเจริญสติชีวิตจะสุกง่ายขึ้นนะสุกง่ายขึ้นทุกยากขึ้นฝึกเจริญสติแล้ว <c oughs> เราไม่ได้ําเบอรเจี๋ยให้ใครยอมรับอวดคร่งอวดครัตอะไรแต่มันเป็นวิธีชีวิตจริงๆหน้าลงทุนไหมเจ็ดปีก่อนทุกก็จะหมดหรือน้อยลงไม่ได้พูดโซดาส ก, กิตาใน่พูดอนาคามีและพารานเนี่ยนะ น่าลงทุนนะอคิดดูสิเรากว่าจะเรียนจบมาทุกวันนี้บางคนจบปริญญาตรีปริญญาโทบางคนจบหม 5, ห้ามหกอย่างอย่างในน้อยยายแก่ๆเราไปต้นจบปสี 4, ป่ปหกแล้วใช่ไหมหกปหนึ่งถึงปหกนี่หกปีจากหมหกถึงปริอ่าจากปจบปหกถึงหมหกอีกหกปีเป็นเท่าไหร่สิบสองปีพอต่อปริญญาตรีอีกเท่าไหร่ สี่ปีเป็นได้ส1บหกปีมงคนตอบยาทูทุกแทบตายใช่ไหมที่ดูการเจริญสติเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนไปโรงเรียนเยนะี่ยเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนฝนตกก็ไปแดดออกก็ไปไม่รู้ได้อะไรก็ไปแม่ให้ไปพ่อให้ไปอยากไปก็ไปไม่อยากไปก็ไปทำแค่นี้ก็บรรลุแล้วธรรมะ ให้ทำความรู้สึกตัวนี้นะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ทำทุกวนัวนทุกวนันทุกวันทุกวันกันเละนะไม่ต้องถึงสิบหกปีสิบแปดปีเราแค่สามเดือนปีหนึ่งจะเห็นผลชัดเจนออกมาจเจิมาเราฝึกอยู่ที่นี่เจ็ดวันหรือเคยฝึกมาแล้วก็ทำหลังจากนั้นกลับไปที่บ้านนะถ้าอยากทำแบบนักพิสูจน์นักทดลองต้องการทนลับแบบไม่ต้องเชื่อใครเนี่ยให้กลับไปทาที่บ้านทุกวัน วันละสามชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในรูปแบบนะเดี๋งขึ้นมาได้ยกมือได้เดินโองกลมจะแบ่งเวลาอย่างไงก็ตามให้ได้ให้ได้ทําในรูปแบบนี่ให้ได้ตั้งตัวเติมหัวเชื้อให้มันให้มันมีความเข้มข้นกายไวใ้ใจรู้กายไวใ้ใจรู้ความคิดเกิดขึ้นปล่อยทิ้งปล่อยทิ้สรุป ง, ง่ายๆแค่นี้นะวิธีปฏิบัติของโมเดียน์ทาความรู้สึกตัวและสลับความคิดเท่านั้นเองเท่านั้นเองเอาความคิดเกิดขึ้นสลับปักกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวตามย้ำตามซ้ําให้เกิดความคุ้นชินตานี้ สชั่วโมงต่อวันหลังจากนั้นในระหว่างวันทําการทํางานอยู่รู้ได้เมื่อไหไร่ก็รู้ซักผ้าล้างหนะ้าล้างตาเดินไปตลาดทํากิจกรรมใครทําอะไรอยู่ก็ทําให้ประกอบเข้ากับการกับงานนั้นในวิธีการหลงวงพ่เทียนที่เขาว่ามันลัดสั้นคือมันง่ายต่อการประยุกต์ประยุกต์เข้ากับชีวิตยายเดินไปตลาดเดินไปทําไร่เดินไปทาํานากับการเดินจงกรมต่างกันที่ตรงไหน มันต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้ว่าเขากระทบคื้นก้าวไปยังไงถ้าเราเดินที่ห้างสรรพสินค้าในระหว่างจับจ่ายตลาดนะเราเดินรู้การก้าวการเหยียบการจับกันมันจะเป็นการเจริญสติเดินจงกรมไปในตัวเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณเข้าไปอยู่ในป่าเข้าไปอยู่ในลานจงกรมจุดเทียดจุดทูบจุดเทียนอารธนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะเดินรงกลมและหน้าบัดนี้นะ เดินไปคิดเรื่องอื่นไปเรื่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวในตลาดนูน้นไม่ได้อะไรดังนั้นสาระของการเดินจงกรมไม่ได้อยู่ที่รูปแบบการเดินจงกรมก็ดีการเคลื่อนไหวก็ดีนั้นรูปแบบทั้งหมดนั้นเป็นตัวสร้างกรอบเหมือนเด็กนักเรียนที่เขียนหนังสือไม่เปลี่ยนนะเราฝึกเขียนใหม่ๆเขียนกไก่ถึงฮอนุ่งหงเขาจะมีเส้นปราให้เราช่ไหปลาปลาปเส้นปรานั้นเพื่อเราจะได้เขียนกอไก่ถึงฮอนุ่งหงได้เป็นเร็วขึ้น รูปแบบการยกมือสร้างจังหวะเดินโย ก, กมก็คือเส้นปลาอันนั้นแหละเพื่อเราจะตามลากความรู้สึกตัวใส่ตามเส้นปลานั้นเมื่อเราคล่องแล้วเส้นปลาไม่ต้องมีก็ได้คุณจะเคลื่อนตัวยังไงจะว่ายน้ําจะหกขเมนตีร่างกายยังไงเมื่อมันเป็นสภาพอันนั้นลแล้วอันนั้นเส้นปะมีความจําเป็นคือรูปแบบนีน้เป็นการเติมเชื้อนั้นทุกวันวันละสามชั่วโมงนะได้มีโอกาสเดินโย ก, กมสั่งจังหวะตื่นขึ้นมาทํายกมือ สลับเดินอยู่ก็บางทีอาจจะแบ่งช่วงก็ได้เ ช, ช้าชั่วโมงครึ่งเย็นชั่วโมงเลถ้าทำได้มากกว่านั้นก็ดีหลังจากนั้นในระหว่างวันบางทีอาจจะเผลอไปนานแล้วเผลอไปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งห้องน้ำอยู่เอาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยเวลาไหนปฏิบัติธรรมดีที่สุด